เอาองครักมาดูแลหมดเลยได้ไหมไม่ได้นะนะจึงไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรเป็นที่เร่นไม่มีอะไรเป็นสารณะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนี่จึงเรียกว่าทุกนนะเะะนี่ยนะพญานทุกเนี่ยเป็นภัยใหญ่เป็นเครื่องบีบคัน้นเป็นเครื่องเสียดสี น, นะถูกสีตลอดเวลาอันตรายเป็นเครื่องขัดข้องของโลกนั้นเพราะฉะนั้นอนะทุกจึงเป็นภัยใหญ่ของโลก สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าโลกอันอวิชชาเนี่ยหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะความตรณีเรากล่าวว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกเป็นภายใหญ่ของโลกนั้นเนี่ยนะมันเอาไปพิจารณาดูเลยนะใครไม่ถูกอวิชชาห่อไว้บ้างเว้นท่าริยะเนี่ยนะแล้วก็ถูกความตรณีความประมาทเนี่ยทาให้ปกปิดหุ้มหอ่อจมอยู่ในทุกอย่างเนี่ยนะถูกตันหาเชือบเคลือบเอาไว้เนี่ยนะ ปัญหาชาบก็คือเคลือบเอาไว้ตามทาวารต่างๆเนี่ยแล้วก็ประดังเข้ามาเลยความทุกข์เนี่ยนะใครมั่งยากจนความทุกข์ไปถามดูเถอะไม่ค่อยมีไม่ทุกเรื่องงานก็เรื่องกินเนี่แหละไม่ทุกเรื่องกินก็เรื่องท้องไม่ทุกเรื่องท้องก็เรื่องลูกไม่เรื่องลูกก็เรื่องบ้านช่องห้องห้องมันเอาจนเดือดร้อนจนได้นะนะั่นแหละเอาแบบผู้การว่านะาไปหาเรื่องเก็บมาจนทุกข์จนได้นะนะั่นแหละฝนไม่ตกก็ทุกแดดออกก็ทุกเนีนะนะ ฮ่าจนทุกข์จนได้อะนรฝนไม่ตกก็ทุกข์เนี่ยนะตกอีกก็ทุกข์อีกเนี่ยนะใบไม้ร่วงก็ทุกข์ใบไม้ไม่ร่วงก็ทุกข์อีกเนี่ยนะทําไมมันไม่ตกงเ้ยนะเขายิ้มก็ทุกข์เข้าหัวเราะก็ทุกข์เขาร้องไห้ก็ยังทุกข์ไปอีกอ่ะนะโอ้ขันเนี่ยนะมันเป็นอย่างี้เลยไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจไม่ทุกข์ใจก็ทุกข์กายนี่ยแหละวนๆอยู่นั่นแหละ บางคนเนี่ยไปเล่นกีฬาป้องกันทุกกายก ใ, ใช่ไหมแต่ถามว่ากายล่ ะ, ะเล่นกีฬาใครไม่หอบบ้างกีฬาที่ไม่ค่อยหอบก็เนี่ยนั่งกีฬารับสมองทั้งหลายแหละเนี่ยนะไม่ค่อยหอบใช่ไหมทีนี้ท่านพระชิตะก็รู้แล้วนะจริงจริงแล้วพระ อ, องค์ประกาศทุกขสัตร์นะทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกคาถานี้ก็ประกาศอริยสัตว์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 ก็คือสวรรติเนี่ยไหลไปหลังไตเลื่อนไปย่อมเป็นไปคือไหลไปไหลหลังไหลไปเลื่อนไปย่อมเป็นไปในรูปทางตาตัณหาเนี่ยไหลอันะคือกิเลสเนี่ยตัณหาทิฏฐิกิเลสทูจริตอวิชชาเนี่ยไหลไปทวารตาเพื่อเห็นรูปไหลไปทวารหูเพื่อฟังเสียงไหลไปทวารจมูกเพื่อรู้กลิ่นไหลไปทวารลิ้นเพื่อรู้รสเนี่ยนะไหลไปทวารกายเพื่อรู้โพธพะเพราะฉะนั้นย่อมหลังไหล นะย่อมไหลไปหลังไปเลื่อนไปเป็นไปในธรรมมารมทางใจรูปนะรูปตัญหาก็ย่อมหลังไหลไปเลื่อนไปทางตาตันหาในเสียงเนี่ยนะก็ไหลไปในทวาลหูตันหาทางจมูกอ่นะคือคันถ้าตัญหาตัญหาในกลิ่นก็ไหลไปในทวานจมูกตัญหาในรสก็ไหลไปในทวาลลิ้นโทตภาพตัญหาก็ไหลไปทวานกายธรรมะตัญหาก็ไหลไปทวานใจเพราะฉะนั้นกระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอายตนะทั้งปวง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 แล้วโรคเนี่ยหายได้อย่างไรคำถามนะสองคำถามลักษณะเขานะที่บอกว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายก็ถามเหมือนกับว่าลดไข้ได้ยังไงกระแสทั้งหลายย่อมปิดกั้นด้วยอะไรนั่นะก็คือตัดโรคได้ยังไงละโรคเลยได้ยังไงที่กล่าวไปก็คือเน้นการตัดกระแสก่อนก็นเหมือนกับว่าลดไข้นั่นเองคาว่ากระแสทั้งหลายอันอะไรย่อมปิดกั้นอันนี้ก็เหมือนกับถามว่า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 ถามถึงวิธีละปริยุทธานความกลุ่มรุมกิเลสกับถามถึงจละอนุสัยกิเลสละบาปอากุศลนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอชิตะกะระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกะระแสเหล่านั้นเรากล่าวธรรมะเครื่องกั้นกะระแสทั้งหลายกะระแสเหล่านั้นอันปัญญาย่อมปิดกั้นได้ จิงคําว่ากระแสเนี่ยก็เป็นการประกาศสมุทยัยสตัตว์เนี่ยนะกระแสเหล่านั้นปิดปัญญาปิดกัน้นอันนี้ก็ประกาศมัคคสตัตย์คําว่ากระแสเหล่าใดในโลกก็คือกระแสเหล่านี้ใดเนี่ยนะกระแส5อย่างคือเราบอกเล่าแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกทําให้เตืนประกาศแล้วไม่ว่าจะเป็นกระแสตันหากระแสทีทีกระแสกิเลสกระแสทุติยกระแสอวิชชากระแส5อย่างเหล่านี้ในโลกะนะ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 ก็คือปัญญานี่ย่อมปิดกั้นได้ย่อมตัดขาดไม่ไหลไปไม่ลังไปไม่เลื่อนไปไม่เป็นไปกระแสเหล่านี้อันปัญญาของบุคคลผู้เห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงย่อมปิดกั้นไดน้ผู้เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงน ะ, นะย่อมเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกขความเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกขนะ์นั่นและจะทําให้ปิดกั้นกระแสตันหาอวิชากิเลสทุจริตที่กล่าวไปได้หรือกระแสของ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 ผู้เห็นอริยสัจก็ปิดกั้นได้หรือผู้ที่เห็นอริยสัจก็สามารถประมวลว่านี้อาสะวะนี้เหตุเกิดอาสะวะนี้ความดับอาสะวะนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับอาสะวะก็ปิดกั้นได้หรือปัญญาของผู้ที่รู้ยิ่งอภิญญยะเนี่ยนะคือรู้ด้วยยาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยตีรณปริญญาละด้วยปหานะปริญญาหรือเจริญหรือทำให้แจ้งก็ปิดกั้นได้ถ้ามีปัญญาดังกล่าวไป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 ก็เหมือนถ้าไข้นะไข้ขึ้นอ่ะวิธีลดไข่อ่ะก็สติก็ถ้าเปรียบเทียบกับการรักษาโรคก็เหมือนการลดไข้นั่นเองส่วนปัญญาในทีนี้ก็คือเหมือนกับการกําจัดสมุธฐานแห่งโรคภัยได้เด็ดขาดเนี่ยนัก็หายโรคอ่ะนะเป็นตัวยาที่ไปกําจัดโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเด็ดขาด <c oughs> มันก็ถามมาัตริย์แล้วนะมัตริย์ก็ได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วว่าสติสัม